แฮร์ริสกับฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของเขากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนัดเชิงเขาเอเวอเรสต์ยังมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเรียกกันว่ามัคฮูนาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของคนแคบเผ่าโบราณและที่ยอดสุดของภูเขาเป็นที่อยู่ของผู้เท่าแสนสุขนามว่าแฮร์ริสผู้ซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเกษตรอินทรีย์แฮร์ริสขยันขันแข็งมาก ลับปะดับาดาจะ บ, บลาบาบู บ, บูบูไม่ใช่แฮร์ริสตรกนะอย่างที่ฉันบอกเขาขยันไม่ใช่ขี้เกียจนั่นไงล่ะแฮร์ริสเคาไดวที่มีความสุขและสนุกสนานไปกับการทำฟาร์มที่รักของเขาฟาร์มแห่งมักคุณาที่ซึ่งผักและผลไม้สดให้กับคนทั้งหมู่บา้านผักและผลไม้ของเขานั้นสดใหม่อยู่เสมอ แชริสจะขายพวกมันให้กับผู้คนในหมู่บ้านด้วยราคาที่แสนถูกผักนี่สดมากเลยต้องมีเวทมนตร์วิเศษในผักและผลไม้ของเขาแน่นอนใช่แล้วเขายังใจดีด้วยนะเขาไม่เคยก่อบคนอื่นเลยเมื่อหากำไรเกินไปไม่เหมือนเพื่อนบ้านของเขาจนนสแต่นั่นน่ะขายผักผลไม้ของเขาแพงกว่าตั้งสามเท่าเนี่ยโอใช่แล้วฉันกับลืมจนาสไปจนาส แตกต่างจากแฮร์ริสโดยสิ้นเชิงเขาเป็นชายขี้เหนียวและโลภมากเมื่อก่อนในหมู่บ้านมาฮูนามีเพียงฟาร์มของโจนาสเท่านั้นชาวบ้านเลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากซื้อกับเขาจนกระทั่งแฮร์ริสที่เปิดร้านขึ้นทุกๆกคนก็หยุดซื้อจากโจนาสและมาซื้อกับแฮร์ริสแทนแอปเปิ้ลนี่เท่าไรเหรอแอปเปิ้ลสองลูกก็เป็นสีเรียนเงิน นายล้อเล็ดหรือไงเนี่ยไปเทอริกโกไปร้านแฮริดดีกว่าผลไม้เขาเขาดีกว่าด้วยถ้ายังเป็นแบบนี้ฉันคงได้เริ่มหางานใหม่แน่นอนฉันอยากรู้จังเลยว่าผักและผลไม้จากฟาร์มของแฮริสสดใหม่และโตเร็วแบบนั้นได้อย่างไง โ, โอ้พี่ชายโจนัส ไม่มีใครซื้อสินค้าของคุณเลยดูสิมันเริ่มจะเน่าหมดแล้วนะทำไมไม่บริจาคให้คนจนคนนี้ล่ะฉันไม่ได้กินอะไรเลยมาสองวันแล้วนะชิวไปไปกไกลๆเลยฉันไม่ได้มาทำโรงทานนะไปไม่เหมือนกับโจนาสแฮร์ริสจะบริจาคผลผลิตจากฟาร์มของเขาให้กับคนยากจนที่ผ่านไปมาอยู่เสมอโอ้เอานี่รอนนี่ เอาผักพวกนี้ไปสิมันน่าจะช่วยทำอาหารในครอบครัวนายได้นะถ้านายอยากได้อีกก็มาเอาอีกได้เลยคนช่างใจดีราวกับเทวดาชัดๆเลยขอให้พระเจ้าคุ้มครองแต่คนในหมู่บ้านไม่รู้เลยว่ามีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในผักและผลไม้จากฟาร์มของแฮร์ริสนั่นคือเขามีผู้ช่วยอยู่สามคนทอมบล็อกและซัก น้ำค้างจากผู้เขาพร้อมกับปุ๋ยลับสุดพิเศษของผู้เขาทําให้ผลผลิตสดมาอยู่เสมอแต่นั่นยังไม่พอพวกเขาจะร้องเพลงและเต้นรําภายใต้แสงจันทร์เพื่อเร่งให้ต้นกล้าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเราร้องเลงและเต้นรำเพื่อให้ต้นกล a เติบโตยัยยั่พวกเราร้องเพลงและเต้นรำเพื่อให้ต้นกล a เติบโตยั อยู่มื่อวันหนึ่งแฮร์ริสได้รับข่าวจากลูกสาวที่แต่งงานแล้วของเขาที่อาศัยอยู่ไกลออกไปได้ให้กําเนิดลูกสาวตัวน้อยเมื่อทราบข่าวว่าเขาได้เป็นปู่แล้วแฮร์ริสตัดสินใจที่จะออกไปเยี่ยมลูกสาวของเขาอย่างปลื้มใจเขาขอให้คนในหมู่บ้านช่วยดูแลฟาร์มของเขาและเก็บผักผลไม้ไปได้เลยแต่าหากพวกเขาต้องการฝากทักทายลูกสาวของคุณด้วยนะ ขณะที่ชาวบ้านกาลังเริ่มลาแฮริสโจนาสก็อยู่ที่นั่นด้วยเขาวางแผนที่จะทำลายฟาร์มของแฮริสเขาไปแล้วตอนนี้แหละเป็นโอกาสเหมาะที่ฉันจะทำลายฟาร์มของเขาพวกชาวบ้านต้องมาซื้อของจากฉันโดยไม่มีทางเลือกอื่นฉันจะต้องหาวิธีทำลายฟาร์มของเขาให้ได้ชาวบ้านต่างกินผักและผลไม้ที่สดใหม่ของฟาร์มของแฮริส พวกเขาไม่เคยล้มป่วยเลยพวกเขาทุกคนมีความสุขมากยกเว้นโจนัสคนอื่นก็ยังไม่มาซื้อผลไม้จากฉันอยู่ดีถึงแม้ผลไม้พวกนี้จะมาจากฟาร์มของแฮริสฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วโจนัสไปหาหมอดูเพื่อหาหนทางในการแก้ปัญหา ใช่แล้วฉันอยากจะทำลายฟาร์มของเพื่อนบ้านหน่อยนะเขาทำให้ธุรกิจของฉันไม่ดีเลยโอ้ใครเหรอไดโปรดบอกทันที โ, นะโจนาสไปพบกับด็กเตอร์และเริ่มแผนการชั่วร้ายเฮ้เป็นไงบ้างดอกเตอร์โอ้ไม่อยางจะเธอเลยในที่สุดก็มีคนป่วยมาบอกฉันมาสิโจนาสมาที่นี่เป็นอะไรอย่างนั้นเหรอ่านมาที่นี่เพื่อบางอย่างที่ดีกว่านั้นโอ้อะไรเหรอ วนทางที่จะทำให้ธุรกิจของพวกเราดีขึ้นไงล่ะโอ้นายมีแผนอะไรเราจะใช้สมุนไพรวิเศษของนายในคืนนี้ตอนที่สมุนตัวน้อยของแฮรริสกําลังหลับอยู่เราจะโปรยสมุนไพรพวกนั้นลงไปในสวนของเขาและทำลายผลผลิตเขาซะในคืนนั้นหลังจากที่ชาวบ้านทุกคนกําลังหลับอยู่ โจนาสก็แอบเข้าไปในฟาร์มของแฮร์ริสและโปรยสมุนไพรวิเศษลงไปที่หน้าของเขาเออตอนนี้ละ่ะพวกชาวบ้านต้องไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากต้องมาซื้อผักกับฉันเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อชาวบ้านมาเก็บผักและผลไม้ที่ฟาร์มเกษตรอินซีพวกเขาพบกับทุ่งที่แห้งแลง้งเกิดอะไรขึ้นกับผักผลไม้นี่ เขาหมล้ำตายหมดแล้ ว, วเราจะทำยังไงกันดีครอบครัวของพวกเราจะกินอะไรกันเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นชาวบ้านจึงไปซื้อวัตถุดิบจากโจนาสในราคาที่แพงกว่าถึงสมเท่าเมื่อแฮร์ริสกลับมาจากเยี่ยมลูกสาวของเขาเขาใจสลายเมื่อพบว่าฟาร์มเกษตรของเขาเหลือเพียงดินแดนที่แห้งแล้งพวกเราใส่ปุ๋ยให้มันทุกวันเลยนะ รถน้ำให้มันทุกวันด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยแ ต, แต่มั น, มนก็ก ไ, ม ไ, ไม่ได้ผลเลยเราจะทำยังไงดีดไม่ต้องห่วงฉันมีบางอย่างฉันได้รับปุ๋ยวิเศษมาจากฟาร์มของลูกสาวฉันว่ากันว่ามันสามารถช่วยทำให้พืชพ้นที่แห้งแล้งกลับมามีชีวิตอีกครั้งเลยเยี่ยมเลย ดังนั้นทอมบล็อกและซักจึงกระจายปุ๋ยไปทั่วทุ่งและรดน้ำมันนั่นละเป็นเคล็ดลับเลยเหรอในขณะที่พวกเขากำลังรดน้ำปุ๋ยวิเศษได้ผสมกันเข้ากับสมุนไพรวิเศษบนพื้นดินมันทำให้พื้นโลกสั่นไหวขึ้นอย่างรุนแรง โอ้โอ้ไม่นะเขาแผ่นดินไหวเร็วเร็วเข้าท่าที่หลบเร็วทุกคนอีเร็วดีเร็วดีเร็วสยท่านยศขยันบุกไปชาวบ้านต่างวิ่นหนีเข้าไปหลบในที่พักของพวกเขาท่ามกลางความวุ่นวายความหวาดกลัวและความโกลาหลได้มีเสียงคำรามมาจากพวกเขาชาวบ้านมองไปที่มันอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตา ผักและผลไม้มากมายกำลังปะทุกออกมาจากยอดของภูเขานี่มันฝน ผ, ผักและผลไม้นี่นะว้าวดูเหมือนหมอดูน่าจะพูดถูกนะเย่ yeah, ไปเก็บกันเถอะทันใดนั้นชาวบ้านทั้งหมดก็ไม่กลัวอีกต่อไปพวกเขาเริ่มเก็บผักและผลไม้ที่หล่นลงมาจากท้องฟ้ารสชาติสดใหม่มากเลย ยังกลับมาจากสวนของแฮรริสอย่างนั้นแหละนี่วิเศษไปเลยโจนาสรีบวิ่งมาเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆและเขาก็เริ่มเก็บผักและผลไม้เช่นกันพวกนี้อาจจะชดเชยสิ่งที่ฉันเสียไปได้ลองชิมดูหน่อยเถอะแล้วมาดูกันว่ามันจะวิเศษสะแค่ไหนแต่โชคชะตาก็มีสิ่งอื่นไว้สำหรับโจนาสเมื่อเขากัดลงไปมันเปลี่ยนเป็นดินทรายออ นี่มัจอกันัสหยิบผลไม้ผลอื่นขึ้นมาเพื่อจะกัดมันเอามาให้ฉันนี่พวกมันกินไม่ได้นะมันเปลี่ยนเป็นดินทรายแต่เมื่อรอ น, นี้กัดแอปเปิ้ลลูกนั้นมันกลับไม่เป็นอะไรมันอร่อยมากเลยนะ่าสาหรับฉันเนี่อะไรกันทำไมมันเปลี่ยนเป็นดินทรายตอนที่ฉันกินมันล่ะ ทันใดนั้นรอนนี่ได้เปลี่ยนเป็นหมอดูอย่างอัศจรรย์โอ้อะไรกันเนี่ยนายเป็นใครกันแน่ โจนัสรู้สึกละอายอย่างมากกับพฤติกรรมที่เขาทำผิดไปเขาอยากจะขอโทษในความผิดพลาดของเขาเขารีบวิ่งไปหาแฮร์ริสที่ฟาร์มของเขาในทันทีแฮร์ริสอาฉันเป็นเพื่อนบ้านที่แย่มากเลยจริงๆเป็นฉันเองแหละที่วางยาพิษใส่ฟาร์มของนายนายช่วยยกโทษให้ฉันหน่อยได้ไหมแล้วก็พอจะเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าพวกเราจะมาปลูกผัก และผลไม้ขายไปด้วยกันไม่เป็นไรเพื่อนยาฉันให้อภัยนายนายช่างใจดีมากจริงๆฉันเข้าใจนายไปผิดจริงๆเลยเอาเถอะพวกเรามาเริ่มทำฟาร์มกันตอนนี้เลยดีไหมและเช่นนั้นโจนาสกปแฮรริสทั้งคู่ช่วยกันทำฟาร์มไปด้วยกันพร้อมกับทอมบล็อกและซัก พวกเขาร้องเพลงและเต้นรำพร้อมกับขายผลผลิตของเขาให้กับผู้คนในหมู่บ้านโอ้ท่าแห่งมีฟาร์มอีไออีโอพวกเราร้องเพลงและเต้นรำเให้เราต้นกล้าเติโตอีไออีโอ